จักสพพะวะตูะระหะตูสมมาสมุทตะสุณลมูักสัพพะวะตูอะระหะตูสมมาสมุทตะสัละมูจักสัพพะวะตูอะระหะตูสมมาสมุทตะสัะพุมาบูณะสัมาบูชาิ ยาอบาตันลีอาเจนอาปาจาเซนเดงแัสเตมมาตูฮ์นาอาตมาราทาสุหุสุตสุเองฮะจัตชาบรุมีปุรันาบุริโตอาชาเมะดีดังลายดุจรางใจนางบรรณาวันเปงสมประจาปัจจุบันคึ่งสิบห้าข้ามลึหนึ่งแต่ลึมนอ้กองกบังผู้ยิ่งศิลปาวคมสั้นท่านสาวสัลเป็นวนสาว เป็นผู้บรรดาผู้พุทธบริษัททั้งหลายที่ตั้งใจมามาพุทโธสมุทโธบรรดาบุญนักศาสัาหน้างองสมุทโธจิตนาสีก็เนศาสนาใสสมมาสมพุทธเจ้าเพื่อตั้งใจให้เป็นทุกขการผู้บรรดาผู้พุทธบริษัทตั้งใจมาทาบุญก็ดีตั้งใจมาไว้ก็ดีตั้งใจทวายทานก็ดีตั้งใจทำเทร่งดี ทั done, like, ้งร้พว่าจะเป็นอานอสองอย่างจะเป็นปัจจัยที่เพิ่มจากคามทุกขอาายภูมิแต่ว่าธรรมดาที่ผู้โดยสังเวยทั้ง้จะเชื่อเรื่องโสดาบันการเป็นโสดาบันนะเป็นอย่การผู้โดยคิดว่าการเนโสดาบันเป็นยากมันเปเรื่องข์ก่นที่มีความรูในไป ท ja ่านว่าเราโสดาบันแปลว่าค่าซึ่งเสพนิพพานยังไงแปว่าข้ามุดตนไปปฏิบัติตนเขาถึงจะเสพจิตตายเขาะโศดาบันแล้วพวกคนนัจะก็เลยกาสอยู่สบายทกบาปเก่าๆทั้งหมดที่ทามาแล้วทั้งหมดตัน้มันจะไม่กลายเป็นประโยชน์กับคนใดารตายเขาจะโสดาบันอย่างน้อยไปสวรรค์ ตัวอย่างนีกสองตันไนโลกถ้าบุญบ ร, รีการ บ, บ ật, ูรณาพระพรมหมดก็เราไม่ได้แค่มนุษย์ตัโสดาบัน อ, นอกนีกสามขั้นหนึ่งกรหนึ่งสัจจกสัตะ์เป็นตัวโสดาบันอย่างอ่อนเพื่อสัตวนุษย์อีกสชาติเพื่อไปนุติภัได้สองตัวหลังตัวละอย่างกลางจะเป็นตัวมนุษสามชาติจไปิได้ สัมถ so, ์เอจับ so, so, ุสีมีบารมีโสตตุนารมสตตาบันกะจับเป็นกบฏอินทรชาตินันได้เพราะว่าบรรดาุทวดาสัต้์ท่านทุกใบบารมีโสดากันในจัตุรีบารมีโสตตาบันขั้นสัจสัตย์สุตชัยตบีตัวลังกุลละสามชก็ดีเอจุลิศุลมตัยตบี ทุกคนไมมีโอกาสจัดมาเมจิดหม่จะไอที่พันไม่เป็นลาว้าก็เป็นโธดาทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าในกัดนี้ยังมีพระพุทธเจ้าสองตัดอยู่ของไม่ใช่5้าองค์พระเจ้ า, าองคนกับมีสิบองค์งววนอบัตไปแล้วสี่องค์นึ่แรกเหี๋ยวพระพธอันอง์ท้ายนี่รง ถ้าต่อไปก็าจยู่ห้าองค์มีพรามขึ้นต้นมีช่างประจําอะไรก็อง์ท้าอีกห้อาองค์ตัวนี้ก็ท่านเป็นมโสดาบันแล้วเป็นโสภูริดาเป็นนาป้าผุนจมก็ยังใช้เวลาไม่นานนักที่เจ้ามาสังสารพิอัยน์นี้คนที่เป็นมโสดาบันโสภริดาเป็นนาค้าผุนจมที่มีชั้นน้อยถ้าถามเป็นข้าที่เจ้าด้วย ทางทก่เจ้าจพระพุทธจทจเจ้าดูแลจเบโยกให้ผู้กระทำปรญญุันธ์ทันทีท่านการปฏิบัติบั ร, รดาเจาพระพุบริษัทธ์จให้ทางเป็นของดีมีความจำเป็นต้องให้ถ้าเป็นปัญจาเกิดปูซ่งอุปาดกปฏิทินเลีอยงในปฏิทินในร่างกายปฏิทินใจวันทีสองการรักษาสิ่งดป็นของดีถ้าเป็ น, ออ น, น, น, น, น, น ป, ปันญญาเข้าหึงบานงาย การอ่านงกรินผนาก็มีัาท่ก็ีเาของทเขาปจถึัญญาที่จะน่าเป็นว่าโสดาันการมีระบบธรรมทั้งทั้งหมดโสัตว์มีสองอย่างคประเภทหนึ่งที่วป็นปฐมภูมิแบบตรรมดาธรรมดานายล้าวว่าฉันต้องการสมาธิฉันต้องการรู้ัาสนา เราจิใจไ่ตังันไม่งเราาต้องการไปนือทั้งนั้นแหกะเราต้องการปรัมมาาปันถ้าปฏิบัติธรรมดาธดาบทนั้นก็ยังไม่เข้าข่ายสัมมาดาปฏิมาหมายความว่าปฏิบัติจามแบบนีแต่ก็ดีถ้าจิตยสมาธิข้าใจเหนว่าสมาธิอย่างน้ก็ไปสวรรค์ สิ่งสุดสุดทีไม่้เาานยังไม่ได้ทางนี้พราะเราพยยามไม่ขเข้าเขตกั อ, อรไยมอยมอะอรกับผลถ้าบัาลผู้ใดสายสิ่งชนตชังใจตังแต่วันต้แนแ่อะไรก็เจอเจอคอฉันวันนี้นนี้เราต้องการการเป็นปอาหันเราต้องการผุผ่าน แตงว่าแบบนีเน้เราตัตดควรมโดยเฉในตอนต้นนี้เราต้องการเสาโศดาบันเนเหตุเ็ตั้งใจไปบ่ายคาบันพันแนะนำาลวงองค์เพื่อต่อรองพระฤาษีพระฤาษีโสดาดบันเรือเรื้องเป็นของไม่ น, นถ้าะโศดาบันคู่โสดาบันนั้นเสามอย่างทีเ่เรีกว่าสังโยตัดอารมณ์สารอย่างออกไปจากใจ เราไมได้ดูดสูงดามบัครั้นต้นถ้าดูสูมีสิบห้าแน่สุถ้าตับเอาเร3่องสามใหญ่จากใจเป็นข้อสิต้สามสิห้าด้วยแล้วมาสิบด้วยวานนโสเาดาบันขั้กลางถ้าตับสองยอดสามนี่ระเบ0ดสิบเรียบร้อยไม่ต้อมาตั้งังทรงเปรียบแน่นอนถ้็เราดามบันขั้นเอกจรงขั้นสูงสุด เร่องที่เราไปเข้ามดาก็เพระเรท่องสัพท์ถูกต้องอันดับแรกพระพุทเจ้าทรงตรัสอนที่โรคภาวนาละมีพิจารณาตามพระตามอรค์ถานมีสองอย่างภาวนาด้วยที่จะดีด้วยเวลาใดที่จิตมีใจก็สงบใจเวลาไหนต้องใจก็ติดใจ เราต้องกำหนดเรื่องคาใจให้ออกด้วยทงานาด้วยแต่ก่อนเรื่องอะไร่องวยก่อนก่อนที่จะภาวนาก่อนที่จะพิจารณาพุทธเจ้าทรงตรงัสภาวนาตั้่งไรติมแผเมตตาบริญจารวาสระอรต้องทำยังไม่ภาวนาด้วยยังไม่พิจารณาด้วยก็นั่งพับเป็นนทุ๊นั่งนอนยืนเดินมือกันทำได้หมด ให้ตั้ง ใ, ใ, ใจแผ่เมตตาเป็นจักราลทั้งดวงจะมีความรู้สึกว่ามนุษก์คดีใส่คดีในโลกได้ทั้งหมดเราจะเป็นมิจฉีดีเพืสัตว์ในกทั้งหมดเราจะไม่เป็นสตโตกับใครเราจะมีความสางสารเพื่อการสงเคราะห์ยหมายความว่าสงเคราะห์ในวัถุก็ดีสงเคราะห์ในาาวาจาก็ดีสงเคราะในกายคือสงสารก็ดี เวลาพระองควมีสายจากเราข้าไขข่องเราจะสงต่ก็มีความสุขแต่ว่าเราจะไม่สามารถจะทำได้จิตสงสารก็ยังมีอยู่อันดับแรกองค์สมเด็องค์โปรดทำอย่างนี้ก่อนเมื่อจิตเราคิดว่าเราจะเป็นนิตี่ดีของคนและสัตทั้งหมดอารมณ์ดีก็เป็นสุขอ า, ารมณ์ดีก็มีคามเยือกย หลังจากนั้นก็กำบนดรู้ลมหายใจเข้ออกอุดมการยังบริทายะตั้งกาให้ตรงดมองจิตให้มันกำหนดรู้ลให้ใจเขาออกห้ใจเข้ารูอยู่หาใจออกหาใจเข้าห้ใจออกรูอยู่หใจออกห้ใจเข้ายาวเส้นคนดูอยู่หลังจากนก็พรวนาตามอัริยะใสยแลพราวนาแล้วก็ก็ได้สมมาจหั่งก็ได้นามะพะพัก็ได้อิจิจุปโตก็ได้ อะไรก็ได้ทกอย่างการภาวนาเขดีการรู้กมหัใจเขาอกมันรู้ว่าเด็นการทงสมาธิขณะบายดูจิตรู้ใบข้ารู้ลมออกเวลานั้นจิตเป็นสมาธิอน่านานานไมสิ้นขณะบายดูคำภาวนาเวลานั้นจิตเป็นทำสมาธิแบบคำภาวนาธรรมสมาธิเขาเีกวาการตั้งใจตั้งใจมั่น เอตั้งใจรู้อยู่จุดนี้เราต้องการรู้จุดนี้เราต้องการรู้ลนเข้าเราต้องการรู้ลนออกที่จะรู้ตามขนะได้วิจิตรู้เลนเข้ารู้ลมออกวัไในว่านั้นก็จะสมาธิจิตว่างใจอีกทีเพราะว่าเรต้องการภาวนาว่าอย่างนี้การภานาเนี่ยมีความสำัญตั้งให้มันเช่นว่าภาวนาว่าพุทโธให้อยู่อย่างแท้พุทโ ยังให้มัลงเรื่องทำโมสังโฆถ้าเราเร่งสังโฆเรา่ีจทุสั่งต้องบังขับให้อยูนแค่พุโธให้ใจเข้าเรื่องอย่างพุทโธให้ใจออกเรื่องอยงพให้ใจเข้าเรื่องอย่าพุทโจออกเรื่องอ่างทถ้ารงอยู่วย่างนี้ท่านวัจะไม่นานใต้การเวลาไม่ต้องอยาัด จึงอยกช่เราจะตั s, ้งาวนาสัสิบนาทียี่สินสามสิบนางชั่วโมงอันนี้ไม่ควรเราเรายังเป็นสุ้ศึกตั้งจะภาวนาด้วยาให้นี้ออกแค่อารมณ์สบายเพราะว่าไอจิตของเรานี่มันคบกับความชั่วมานานได้แต่อรมณ์เิงสร้างขึ้นมไม่คบกับมาตั้งหลายหลายสาชาติ มีอยู่ก็อย่ากำคับคนดึงการสรงตัวทั้งวันทั้งคืนทั้งชั่วโมงอันไม่ได้เป็นธรรมบารขอจิ ต, ตนาที่เราดแลวหวใจเขาออกก็ดีไปมากสักนนาทีหรือสานาทีจิตมันกแ็แลกจะหาบรอีเมื่อเรารูแลหันจับสกัดก็มาใหม่เริ่มต้นใหม่ห้ใจข้าก็จะใจออกผใหม่ได้ใจอยู่มันก็ไปแล้ว อันนี้ก็ช่างมันจับกับสามาธิตอเมื่อมันเู้สร้างจริงๆเวาหาอยจงโลกอยากเป็นใจสบายสบายปดูวีอยุดูทรงทักกันนั่งคุกันนอนนอนคุยกันอานาจักรความสุขขณะเดีดที่เราทำได้แล้วเวลานั้นบนสองตัวอยู่้อยถอหลังวันนี้ทำได้แค่นี้วันนี้ทำได้สองนาที บนสองนาทีก็ส่งตัววันรุ่งขึ้นทำได้นาทีเดียวเอ้สองนาทีมันอยู่แล้วก็ อ, อีกหนึมงนาทีเก็ส่งตัวยิ่งรู้ว่าขัมผใดที่จิตช่ยหัวใจเข้าใจออกผู้ทําดมาเวลานันจิตว่านจะยิ่เนต่เราก็าเข้าขเคาะจีตเล็กเอาไปชิรน้อยๆน้ากๆน้อยๆไปเล็กๆพวกเขาหินใหญ่ที่เรามีบุญคนหินแท้แข็ง ถ้าเราจะยกวันซึ่งอะไรที่เด็กท่นลูกยกทุ่มไม่ไหวต้องค่อยๆแคะเคาะไปทีลน้อยๆถ้าเคาอไม่หยุดเพื่อมือทำไม่สมาดอย่ารู้ไม่ช้าไม่นานาน้กกินะุ้งกุนลงไปต้องกลมานำเข้า่าทุกครั้งทั้งร่างกายของมันก็มีสภาพสันดายไม่กลังใจไม่กำลักังกาสางสมาธิก็เช่นเดียวกันอยากคืนน้ำมอย า, คอากคนร่างกาย ถ้าจิตใจฟุ้งซ่านเกินไปเลิกเพราะ่าจิตใจกระสับกระสายเกินไปเลิ ก, ล ก, ษษ ก, ลกร่างกายสำทุกตราราณไม่ไหวท่านนั่งทำไม่ไหวก็นอนนอนทำไม่ไหวก็ยืนยืนทำไม่ไหวก็เดินถ้าทั้งสี่อย่างนี้มันเม่ไหวก็เลิกเลิกสุขส บ, บรรยายหลังดีอนี้มป็นการขึ้นต้ขนของการะเรียนกรรมฐานเลิยกปกติทำงาน ต่อมาถ้าเราต้องการเป็นพระอริยเจ้ า, าให้ตั้งใจได้ทีเดีว่าเราจะเกยสมาันวันนี้จะพเจารณาก็ดีจะไปนาก็ตามเราต้องการเป็นพระโสดาบันตั้งจุดให้แน่นอนว่าเราต้องการเป็นพระโสดาบันถ้าโสดาบันเขปฏิบัติยังไงถ้าโสดาบันตัดสังโยติสาม หังรู้ว่ามีสามชั้นนำมาโศดาบันนานอย่างอ่อนที่เรีย่าสัจจะสัตตุต้องบำเพ็ญบารมีจดชาติปัญผันอย่างกลางด้วยกโกรังโกระต้องบำเพ็ญบารมีอีกสามชาติปิญผันอย่างเอกที่สุดอย่างสูงสุดคือเอเอวานิสีต้องบำเพ็ญอีกหนึงาริีหนึ่ ง, งานิปัญผันที่เราตามไแปบบ การจริญโสดาบันก็ต้องการอย่างยัง่งย่งงอ่อนก่อพราะการตัดสัญญอด้วยเหมือนกันขึ้นศรัทธายาิจิตรแปลว่ า, ากายจิตแปลว่ามีความรวรื่ร่างกายไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเราไม่รู้ เ, เร่ร่างกายเรื่องร่างกายไม่มี เ, าเราแปลว่ามีสอนตัดวิจีหริชาร์ด้วความสงสัยด้วยความมีและอัศจรรยพระสัมมาสัมพรทธเจาพระธรรมทาน ถ้ารู้สายศึกษะมาจับปรามากเจ้วสายศษสครับพ ร, า, บ ร, บ ร, า, บราวัสองศูนย์ห้าเทวรุษหนึ่งสองศูนย์สิเทวรุษพระสองศูนย์สามร้อยยี่สิบเทวรุษถ้าศึกษาวิทยาชันนี้อาจจะคาการณ์ได้วิสามการได้ยังไงเออวันนี้สองสหงวันฉันตกใจใจว่ า, า, นนาต้งได้ยางไเป็นธรรมดาดันยากไหม ต้อม <bees> ีสมาธิสนาดไหนไอ้นักวดสมาธิแต่มันไปไม่ถึงไหนดีไมดีเพราญุวันนู้ฉันนั่งดึหนึ่งชั่วมงฉันนั่งหนึ่งสงชั่วโมงฉันได้หนึ่งสามชั่วโมงนั่งอดสมาธิพอสมาธิเรื่องแล้วก็ทำบาปได้ทุกอย่างก็หกวัึก็ได้สาติใก็ได้รักษักก็ได้รูปปิดในกายก็ได้มันก็เป็นเหตุสมัยญี่ป ผู้สมาธิือเราต้องเป็นสมาธิดีอย่างว่าส่วนบางอย่างที่เราใช้ท่าทางนี้มสมาธิไม่ต้องสูงแค่ใช้สมาธิเพียงแค่พอจำช่างก็พอพอจำช่างด้วยยังไงก็ไม่จำเป็นต้องชุดช่างอะไรเราที่จะพิ่าธเราจะตัดสังโยชาให้ขาดไปสังเข้อพิมพ์ด้วยกัน พระพุทธ้าจะว่าก็โสดาบันก็ดีนะสุขาคาบก็ดีมีสมาธิเล็กน้อยมีปัญญาเล็กน้อยกะสุขบิสุทธิ์อันนี้ปรจนก็ดีนะเขาย้ำอีกครั้งหนึ่งถ้าเราโสดาบันมีสมาธิเล็กน้อยมีปัญญาเล็กน้อยก็มีสุขบริสุาธิ์เพื่ตั้งใจเพื่อทมันโสดาบันอันหลับแรก แล้วก็ตั้งใจชิดที่ร่างกายของเราร่างกายขเขาบอกคนอื่นว่าเป็นก็ดีใส่ก็ดีทั้งหมดที่เกิดมาในโลกนี้มันต้องตายร่างกายของเรามีความจาเป็นจะต้องตายเรยตั้งใจอยู่ขนาดไหนจิงญาอย่างดี ย, า, ดย า, ดานานคิดถึงครั้งที่ดมแล้วก็ต้องตายไม่มีใครท่านจความตาย แต่เราคิดว่าความตายจะมียอยู่ประมาณอะไรอายุหกสิบไปอายุเจดสิบปอายุแปดสิบอายุเก้าสิบไปอายุถึงปีนี้อันนั้นไม่ถูกให้มีความรู้สึกว่าทำไอว่าวันนี้เราอาจจะต้องตายก็ได้การทบาทีพิจาว่าธรรมารีนัสบาดีธาเี่เป็นไ ร, นรถ้าท่านอะไดก็ยังทามไม่ถ ม, ม, ม, ม, ม, มาทัยถึงพร้อมจงหยาดรำมารีคิดว่าพุ่งนี้เสียตายมได้วนตายไม่ เราคิดว่าวันนี้เราอาจจะตายก็ได้ถ้าเราคิดอย่างนี้ทุกวันตืทุกเช้ากันมาคิดว่าวันนี้เราอาจจะเห็นสงอาทิตย์ที่แสงอาทิตย์เราเราอาจจะเราอาจจะไม่เห็นความมืดอาจจะตายก็ได้สร้างสร้างการดีไว้ถ้าไปข้างหน้าไปก็มีความรู้สึกว่าวันนี้อาจเราคงจะอาจจะไม่เห็นไม่เห็นแสงอาทิตย์ตายก็ได้หรือก็ได้ อย่างนี้ต่ดกัจจการยังทิฏิตัวแรกพระโสดาบันเริ่มเป็นพระโสดาปฏิมาถ้าอย่างนี้ก็เรียกว่าพระโสดาปฏิมาเริ่มต้นถ้าที่สองเรามีความเคารับพระพุทธเจ้าและก็ทำในพระอรสองอย่างแท้จริงไม่สงสัยในความดีของธรรมสํัครพระเอาจฉพระพระอริยเจา้า ถ้าท si ah. ี eh on, ira, ang, nel, ira, Bien, um ่โบสถ์จะมายังไม่เป็นพระอยเจ้าเราก็ขรับใจสว่างข้าพเทศนี้ไม่แน่นอนครับดีบ้างเลวบ้างดูน้อยเลวมากต้องคุ้มพระอุ้ยเจ้าคนจะโซดาบขึ้นไปแตเราไม่สงสัยในความดีของท่านต้องโซดาบันไม่สร้างคามเลวแล้วยอมรับมาถืด้วยความจริงใจทั้งพระพุเจ้าบดีทั้งพระธรรมดีทั้งพระอริยสงฆ์บุดี ถ้าจิตใจเรื่มีความไม่คงอย่างนี้ถ้าเรียกว่าโสด า, า, สดาบรรพโซดาปฏิญัิเข้าขั้นกลางอย่างนี้นโสดาปฏิญัิแล้วเราก็องขั้นเกียดถ้าถึงขั้นนี้ม่มกา น, นั่งไปน้นก็ได้ขังเกียไปได้แต่จะลำดับต่ต่อมาขั้นสุดท้ายชื่รวประจักษ์ปมาตย ตั้งใจรักษาศิลป์ข้าให้บริสุทธิ์คือชื่อว่าที่ขาบนห้าแตการเราจะไม่มีการบุกรุกเพราะจะมีรมส่งเตียวบริสุดธิ์บุกรเพราะว่าขณะใดถ้ายังเผออยู่บางข้างยังเผลอยงกัดท่ามือก็ไปลุกโยงแรงจนไปยงตาย เจตนาไม่มีสิ้นไม่ขาดแต่ยังไม่เป็นปัจจาบันแช่ยังไม่รป็นปัจจุัปฏิัติผลยังเป็นปัะจุบันปฏิบัติทั้งนี้เพาอะไรเพราะยังเผยถ้าบางเองจติเท่าไม่มีความแม่นคงยงไม่กัดค่อยค่อยเรเปนวดอเมตแต่เนื้อนนแต่ยัาหางห่างยงเร่งขหายยาง่ใกล้จะถึก็ีังหนีไป กำลังใจอย่างนี้ส่งตัวชื่อว่ามีสิ่งไมสุขคนะั้งหมดเอาทุกข้อนะเก็บเกี่ยบไปอย่างไรบา้างวันหนึถ้าเรายังมีความรู้สึกชว่าเราจะตายสา ม, ม, าม ห, หนึ่งงเ่ัใจสัญญาคนสามสองห้าไม่สุขโดยไม่ตระวังก็การเดินไปไเห็นสัตว์เหยียบสัตว์ตายด้ย ม, มีเจตนา ยองเขาไปในสัตว์จะเล็กสัตว์ตายถูกทับไปมนกิรนาก้ายงเขาไปถูกคนโดนมาตายไม่ไปตั้งใจยั ง, งไมสิ้ไม่ขาดคือไม่ขาดจะทำ ม, มุาโสดาบันเพราะไม่ตั้งใจสิ่งทุกข้อ ต, ต่องตั้งใจตอนนี้เม่ทุกคนตัดสายโยสาด้วยขดทวนท่วนยังไม่ได้เรียกมโสดาบันแทนต้องบุารมณ์ เนี icana, ่ยทีตัดสินก็สาดสัตว์เจอเรืนั้นที่เข้าถึงข์โอทรวงญานค้าว่าโอทรวงยูนก็ไม่ขวางไม่รว่างโลกียะกับโลภะแล้วก็ลำรางเล็กๆกำลังขึ้นอยู่กำลน้อมเป็นพระโสดาบันตอนนี้ยังเป็นโลกนใส่ขาสองขาคล่อมดังสองข้างยางลุ้นเรื่โอตรวโย จะเป็นพระอริยะก็ไม่ใช่จะเป็นบุตรชนก็ไม่ใช่อยู่เข้ากัระหว่างที่เข้าก็นอยู่นจิตจะมีความรักผลิพันธ์เป็นอารมณ์มีความต้องการอย่างเดียวคือผลิพันธ์ใครจะพูดว่าสวรรค์ดีมรรกดีกด้วยไม่ด้วยฉันไม่ต้องการฉันต้องการผลิพันแต่การธรรมะกิงต้องเป็นไปตามปกติพ้อโสดาบันยังไม่ต้องแยกผู้เปรียบผมเนี่ย คนยัไม่แต่งงาก็แต่นงานได้แท่ถห้าเริสุทธต์ตอนนี้พักจิตเข้าถึงขั้นเด็ดขาดตัดโลภิยาใสจะได้ยกท่าไปวางสั่งนั้นทั้งหมดเดินมาโซดาบนันเปแต่โดาบันที่มันมัันขัต้นถ้าจิตเข้ารู้ถึงโซดาบันเป็นผิขัต้นตอนนี้อารม์อีกอารมณ์หนึ่งมาจะเก ข, ขึ้นนั้นคืออารมณ์บดาพันรักติพันยังรักอยู่ ชอบใจอยู่สฉพาะนิพพานแต่วันธรรมดาร่ลมเกิดจะมาเกิดเบาๆไม่นานักไม่นานได้นักสร้างถูกดา่าถูกว่าถูกตำหนิขนาดนี้เราเคยโจวสสวดมากแต่ว่าพอถึงวันโสดาวันอัดไม่พอใจบ้างจะมาจ์ น, น้อยความไม่พอใจน้อยลงจะหายเลย เพราะว่าโสดาบันยังมีความรักในระหว่างเพศยังมีความรักสโสดางไม่ว่าเขาไได้ทนก็แต่งตัวละไม่ว่ายังต้องครองเวรเพราโสดาบันยังมีความอยากร่ำรวยเราต้องการร่ำรวยเราเข้าไปโทษสิ่งนี่ไม่ละื่อสิ่งฆ่าพาโสดาบันยังมีความโกรธก็โกรดที่เกี่ยว เดี๋ยวก็หายว่าโสดาบันจะมีความหลังในชีวิตคือแต่งตัวอย่างแต่งตัวสวยอย่างเป็นนั่นอย่างเป็นนี่แต่ถ้ว่าไม่ลืมความตายก็องรารว่าการหนุโสดาบันขบรรดาท่านพระวยสัตว์ต่างๆเป็นขอไม่ยากถ้าเราจัดไอ้ที่ยากเพราะว่าคนไม่รู้เรื่องเล่าครูมันไม่เป็นเรื่อง เราภาษาถินจะมาดะนานเคยคิดปว่าเราต้องการลงสมดานเราเคพระพุทธเจ้าเรื่อพุทธทางงพระชาติเขาจะขอทรงพระพุทธเจ้าเป็นยีุ่่งพระธรรมเป็นยี่พุ่งพระสมุทัยปุ่งเราเคยคิดไว่าเราต้องการพระสมดานเราไม่ได้คิดเราเป็นสมาที่เราเกิดใต่างชาติโนต่างชาตน่นางแบบนาๆแบบนี้ทำไมเคยคิดว่าเราจะเป็นพระสมดาน อย่างนี้ก็ได้หมดแตเาตัดการทำอย่านั้นยังเป็นเหยื่อขอาไบอคูลเพราะจิตใจไม่แน่นอนต้องมุ่งจฉพาะอตการโดยกรรมานในการทาบุญวันเราต้องการประสบดับบาปอย่างวันนี้ที่ทนมาทั้งการการกาวนามุตตระแสดงนิพานโคตพุทธเจ้าในกาที่สอนเราพุทางสนากะชามิธรรมสนากะชามิสังฆากะชามิ เขาจาข้างเขาจนรู้แต่จ่าไปไม่ดุงเขาจนมาทำไปไม่ดงเขาจนไปอะไรฉ่งไปไม่ดุงอย่างนี้มันเป็นไราโสดาบันไปเยอะมากแล้วแล้วเราไม่ิด้คิดไปเราไปก็เราไปไม่ใช่สดาดันไปมากต้องตั้งใจโดยเฉพาะวันในชีวิตนี้เราต้องการมาสโสดาบันเป็ขั้นต้นอันดับแรกเราไม่ยืนผ่านตายาตายต้องลึกั้งตอนช้าแระจย็น การนี้สองเราจะมีความเคามีต่อพระเจ้าในประธรรมใก็ระไริยธรรมตามจริยใจการนีสามเราจะทรงสูงข้ามบริสุทธิ์ถ้าพระสูงข้ามในการตั้งใจรั้งายทั้งเหนี่ยมันลบ้างเผอบ้างถ้าลืมบ้างเผลอบ้างจะเป็นโสดางันปฏิญตแต่ไม่มีการตั้งใจอยากทำถ้าสูงข้ามไม่จืมไม่เผลอไม่ทรงตัวเองเป็นโสดาบันปฏิปน เราถ้าว่าปฏิบันธ์ก็จะเรื่องการคับตรรกะยานเมื่อสองถึงห้าบริสทิ์แล้วเราก็ตั้งใจต้องการจบอยู่คือปณิภานหลังจากนั้นจิตยอมรับนสิ่งปกติไดาก็ทีิคิดโตเอนันที่โตเพราะที่เกิดมาในโลกนี้รู้เรื่องในทางพิธาต่างมีอะไรไม่เกิดขึ้นที่ไม่ชอบใจเราเราเชื่ไม่ชอบใจรอย่างที่เราชอบไม่ชอบใจลงพปวดเบาลง เพราะว่าข้ายเร็วจะไดุู้กตบอาจารบรรดาท่านพระธรรมจิตกันหลายเวลาราป็นมาณสามจิตีบอาารยกแม่ว่าขอลาต่อนเขาฟ้าสดสวัสดีพัฒนะมงคลสมบูรณ์สมบูรณ์จงมีแาจยบรรดาท่านผู้ศรัทธาทุกท่านสวัสดี